สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทุกวันศุกร์ค่ะตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะกับจิตวิทยาแบบเบาๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดบวกแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะดําเนินรายการค่ะเราทั้งสองคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะดิฉันทิราวัลดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยค่ะท่านเป็นอาจารย์จิตวิทยานะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเราจะพูดคุยอะไรกันดีคะลุงยุย้ยช่วงนี้ลุงได้ยินประโยคนี้บ่อ ย, อยกันเนาะค่<พ>ะประโยคคําว่าศินเสมอกันเออไม่น่าสนใจกันนะบางคนเขก็ะ จ, ะจะพูดว่าศินเสมอเราเจอกัน <laughs> เออนั่นแหละนั่นแหละจริงๆเราอาจจะ จริงๆเราอาจจะได้ยินคาว่าสินเสมอกันบ่อยมากแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจว่าสินเสมอกันเนี่ยคืออะไรอาจจะเป็น ค, คนที่เหมือนกันหรือเปล่าลุงวิสัยเห ม, มือนกันเป็นคนประเภทเดีย ว, วกันเป็นคนชอ บ, บ, บอะไรเหมือนกันหรือว่ า, ห ร, วาหรือว่าต้องทำบุญด้วยกันแล้วถือว่าเป็นสินเสมอกันอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะไปทางธรรมะหรือเปล่ายางงี้นะคะไ้แให้ผู้ฟังลองลองนึกตามเ่าไปด้วยกันละกัน ลุงค่ะเดือนตุลาคมแล้วนะคะบางทีพอถึงช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเราก็มีกำลังใจได้เล็กน้อยเนานะได้ข่าวว่ามีค น, นฟังรายการของเราเยอะมากลุงเหรอจรใจรจริง อ, อันนี้ก็สำหรับคนที่ทำรายการเราก็มีกำลังใจนะคะใช่ครับใช่ครับแสดงว่าทีกับลุงนี่ทำงานด้วยกันนี่สินเสมอกันไหมคะลุงิเสมอกันแน่แ่แน่แ คือเราจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่น่าได้่าไหรายแต่พอฟังจากเบรสติ้งฟังจากฟีดแบงคมาจากท่านผู้ฟังแล้วหรือรอว่าลุงก็คุยถามและศึกษาถามคนรอบข้างฟังบว่าฟังฟังฟังเยอะนะเนี่ยเราก็เราดีใจแล้วก็พอฟังแล้วก็จะคิดว่าเราสงคนสนิทกันมากเอาค้าอจริงนะคะลุงเราต่างคนต่างทำงานกันมากเลยค่ะเราจ ะ, ะมาเจอกันต่อเมื่อเราต้องมาจัดรายการวิทยแุแสดงว่าเราก็ สินเสมอกนเนี่แหละค่ะลุงเข้าขากันดีเข้าขากันดีอยู่พอสมควรนะคะ<ด>สินเสมอกันเนี่ยสำหรับลงุงลุงคิดว่ามันคืออะไรคะสินเสมอกันเลยนะครับพูดอย่างให้คนทั่วๆไปเข้าใจนะคะคือการที่เรามีชีวิตที่ไม่แตกต่างกันจนเกินไปอะ่ะ ม, มีชีวิตคล้ายๆกันถ้าเข้ากันได้ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหา อย่างไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษานะนะครับน้องที่จบเปิญญาโทลุงจบเปิญญาโทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเสมอแต่ละไม่ใช่คนนึงจบเปิญญาโทอีกคนจบเปโอคือเวลาที่เราเราเราเรียนมาในใกล้ๆกล้เคียงกันมันจะทำให้เราพูดคุยกันในภาษาเดียวกันใช่ไหมคะลุงใช่ครับเราจะเข้าใจกันง่ายขึ้นครับฐานน้าอย่างเงี้ยเนาะ อา น, นาจิไม่ต้องร่ำรวยเกินไปหรอกไปแค่ประมาณกันนะมันก็ถือว่าอยู่ในอัตราส่วนที่ที่เป็นสิลเส ม, มอพันไดน้อุปนิสัยก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบเหมือนเหมือนกันที่ชอบเรื่องการออกกําลังกายเกิดแฟนที่ชอบชอบด้วยมก็สินเส ม, มอกันได้แค่เส ม, มอกันได้เลยค่ะแล้วสินเส ม, มอกันเ น, นี่ย ต้องสิ่งเสมอกันเท่านั้นไหมคะถึงจะอยู่กันได้ลุงว่าโดยโดยเนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์นะลุงว่าไม่จำเป็นคเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเคยเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับเ็าบอกว่าลางเนื้อชอบลางยางซึ่งอันนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเหมือนกันเกินไปก็เบื่อใช่ไหมครับถัมี น, นี้อยู่แ้าเธอมีอีกแบบหนึ่งมันก็ดูแปลกดี มันก็ดูเออมันดูตื่นเต้นมันดูน่าค้นหามันดูให้มีอะไรซึ่งแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงใช่ครับแต่ถ้าบอกว่ามันเสมอกันทั้งหมดเลยไอ้หนุ่นกับชันกันไอ้หีกับเท่ากันไปไหนก็ไปด้วยกันบางทีมันก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะอะไรที่มันจำเจจำเจอันนี้อันในความคิดของลุงเนาะก็ถ้าสิ่งเสมอกันส่วนใหญ่อาจจะอยู่กันได้ง่ายกว่าแต่ก็มีมีบางมีบางประเภทซึ่งอาจจะชอบแบบ ไม่เหมือนกันตรงข้ามกันเลยครับมันในในความเหมือนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันส่วนคนที่เหมือนกันอยู่กับคนที่แตกต่างกันก็อยู่ได้แล้วก็คนคนที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงแล้วคะลุงอยู่กันได้ไหมคือแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเนี่ยบางทีมันก็ขัดแย้งกันเนาะนะครับอย่างเช่นคือเห็นดาราคู่หนึ่งนะครับเขามาออกรายการรายการ อชว์อะไรเงี้ยรยการที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยปรากฏว่าความคิดต่างกันอย่างยิ่งเลยอ่ะคแต่สิ่งเดียวที่เขาอยู่กันได้คือคําตอบคือเขารักและเขาเข้าใจกันก็พยายามเข้าใจอีกฝ่ายนึงอใช่ครับนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีความคิดมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันเปิดกว้างนะคะแล้วก็แชร์พร้อมที่จะแชร์ใช่ไอความคิดของของแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นสัดส่วนของตัวเองอ่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าเราฟังแล้วก็คิดตามไปแล้วก็บางอันเขาดีก็ยอมรับขะเดียวกันอีกอันหนึ่งถ้าเผืว่าอีกอันหนึ่งมองเราว่าเออตรงนี้เราก็ดีเหมือนกันนะแล้วยอมรับด้วยกันตรงนี้ลุงก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนพราะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้ารู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกไหมคะเปิดใจกว้างมั น, มนก็ทําให้เราสินสินเสมอกันได้ ได้ครับได้มันก็ทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ลุงขันเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครสินเสมอกับเราอะเป็นเพื่อนก่อนลุงถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะได้ยินคำว่าคอเดียวกันนะครับลุงสอนหนังสือมาสามสิบห้าปีเนี่ยสิ่งที่ลุงเห็นชัดเจนคือทําไมเนศ้อารหนึ่งห้องสามสิบคนต้องนั่งแยกกันนาดและนั่งเป็นกลุ่มอะ เด็กหลังห้องกลุ่มนี้หกคนครูอาแต่แสดงว่าแสดงว่ามันต้องมีจุดยึดเหนี่ยวเหมือนกันอยู่สักอย่างหนึ่งถูกไหมครับเช่นคนนั่งหน้าเราพออนุโรมได้ว่าน่าจะเป็นเด็กที่มาทีหลังนอกจากตั้งใจเรียนเห็นไหมคุณลุงเขาอาจจะมาทีหลังเออคนใจเย็แหละแต่คนที่นั่งหลังเนี่ยก็มักจะชอบที่จะ คุยเรื่องนอกเรื่องนี่จะตั้งใจฟังเลยแต่พอตั้งใจสอนปุ๊บแต่รู้สึกวันเริ่มคุยนอกเรื่องกันเองดีกว่าอ่าลุงที่จะที่จะหมายถึงตัวทีเป็นตัวอย่างมากอย่างที่เวลาเรียนหนังสื อ, อ<า>ที่จะชอบนั่ง อ, อยู่ตรงประตูหรือหน้าต่างคือนั่งที่มันออกมองออกไปข้างนอกได้อาา๋อลุงวิเคราะห์ว่าทีเป็นเด็กยังไงคะาหรับทีถ้าเปิมองอย่างนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมันได้หลายอย่างนะเว้ยประูหน้าต่างมันอาจจะเป็นเรื่องของช่อลงลมนะไม่เกี่ยวกับลมนะไม่เกี่ยวกับลมก็กลายเป็นว่าในในระหว่างที่อาจารย์สอนถ้าสอนดีรู้เรื่องดีก็จะฝังแต่ถ้ามีบ้างที่อาจารย์ก็เลไปล่ไปอ่ะเราก็ออขอมองวิวิวทัศน์ข้างนอกหน่อยนึงให้รู้สึกว่าเพลินตาเพลินใจแล้วกลับมาเรียนใหม่ ไไปก็เป็นไปได้นะคะคือที่ที่ชอบนั่งเนี่ยที่อาจจะอาจจะมันจะอาจจะโล่งๆอะคะ่ะมันไม่ได้นั่งแล้วมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆนั่งติดหน้าต่างก็บางบา ง, บางมุมก็หันไปมองข้างนอกบางจะสอนดีหรือไม่ดีทีก็พักสายต า, า <laughs> ติดประตูมันก็จะมีช่องที่มันโล่งๆไม่อึดอัดในความรู้สึก<ด>นะคะอาจจะไม่ได้อยู่หน้าห้องหลังห้อ ง, งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยพอทีปุ๊งงิบปุ๊บทำไมลุงนึกต่อเลยเพราะว่าทีเป็นลูกคนเดียวไงออื ก็ได้ต้องการสเปรย์เนตัวรึกว่าเออฉันก็ฉันก็อยู่ได้แต่ฉั้นอยู่ยังยังขอมีพร้อมออกอ่ะพรอมออกอันนั้นแลโอเคค่ะลุงอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกับเบรกที่สองว่าสินเสมอกันเนี่ยถ้าในเรื่องของคนรักเนี่ยเขาต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 จะเปลี่ยนแปลงไปเธอเองจะอยู่ที่ไหนอย่ากจะบอกให้เธอรู้ไว้นั้นเท่าไรฉันยังอยู่ หัวใจของฉันยังเหมือนเดิน ช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดคุยในเรื่องของสินเสมอกันได้ยินบ่อยมากบางทีก็จะเห็นหน้าโซเชียลว่าเอ๊ะทําไมสินต้องเสมอกันสินเสมอกันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรงคือเรบรกแรกเราบอกไปแล้วว่าสินเสมอกันเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่มันคล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนเกันอุปนิสัยคล้ายกัน นะคะมีชีวิตที่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราพูดไปแล้วว่าเพื่อนเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนถึงจะเรียกว่าสิลเสมอกับเราอ่ะในพูดในเรื่องของความรักบ้างรุงคนรักนะคะตามหาผู้ชายชั้นคนหนึ่งเขาต้องสินเสมอกับเราเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนยังไงคะหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับเราคือลุงลุงมองอย่างนี้นะว่าผมว่าเน้นไปที่ตัวผู้หญิงก่อนค่ะควับผู้หญิงเขาก็จะมีสเปคของเขาถูกไหม เภทของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับชีวิตเขาเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่มีนะครับพรอเขาต้องการเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่มีบางทีเขาอาจจะอยากจะได้คนที่ถึงว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยเงียบ <c oughs> ๆเขาอาจจะอยากจะได้แฟนที่หวือหวานหน่อยก็ได้อื <c oughs> อันนี้ทเธอ ที่จะแชร์นะคะที่มีเพื่อนเป็นส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเยอะอ อ, อที่แบบวิศวกรแบบต่างจังหวัดเลยลุงก็จะชอบผู้หญิงเรียบร้อยมากอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเรียบร้อยซึ่ตรงข้ามคอนท<อ>ักับเขาแบบสิ้นเชิงเขาก็จะเอฮาปาร์ตี้กินเหล้าลุยๆแต่พอไาเจอผู้หญิงเรียบร้อย ตายทุกลางเขาอาจจะชอบอะไรที่ตรงข้ามกับเขาก็เป็นไปได้ใช่ครับก็แบกว่าเป็นเรื่องของความรักเนาะแล้วถ้าถ้าชอบที่เหมือนกันกับเขาเหรอคะลุงคงแล้วเหมือนกันก็ก็ไปกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเคยเห็นเหมือนกันเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับโอ้โหเราเห็นแล้วผู้ชายกินเหล้าเยอะมากอ่ะแล้วก็แฟนเด็กคนเนี้ยก็เป็นเด็กน่ารักในความรู้สึกของเรามาส่องในในเฟซบุ๊กทานทีนะโอ้โห เพื่อนเลื้ยเพื่อนเลี้ยงเป็นครูขี้เมาออืครูเป็นผู้หญิงเะค่ะเป็นครูขี้เมาไม่ตีตีมึงไม่เคยจับบ้านอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าเขาไปด้วยกันได้เป็นไปได้ไหมคะว่าเขานิสัยอย่างอย่างไรเนี่ยคนเรานิสัยอย่างไรแต่เขาจะแสดงออกให้คนเห็นเขาเป็นบุคลิกอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าแหมทุกคนต้องการที่จะโชว์ไอ้สิ่งที่กูดมีออกมาถูกไหมครับค่ะไอ้แบ๊มีเนี่ยคนเราประลุอยู่ แล้นะ้ววกก็เก็บเบไแต่อาจจะออกมาเวลาที่โมโหหรือว่าเวลาที่มี เ, เหตุ<อ>การณ์อ<ล>ะไรสักอย่างเวลาเวลที่โดยเฉพาะอย่างที่เราคุยกันตอนเนี้ยรื่องแฟนกินเหล้าเนี่ยเวลากินเข้าไปเยอะๆสติขาดไปปุ๊บเนี่ยไอจิตใต้สำนึกของเราจิตไร้สำนึกของเรามันจะหลุดออกมาเองเลยเป็นแบดมีของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคิดว่าตัดสินว่าสมมติทีรู้จักกับลุงอย่างเนี้ยค่ะก็อยากคิดว่าลุงจะเป็นอย่างที่ทีเห็นเพราะลุงก็ให้ทีเห็นเท่าที่ให้ทีเห็นนี่แหละตอนลุงเมาตอนลุงโมโหลุงอาจจะเป็นยังเพราะฉะนั้นถ้าจะคบจะอะไรกับใครอย่างนี้ยค่ะถ้าจะดูว่าเออเหมือนกับเราเข้ากับเราไหมก็ดูในหลายๆมุมหรือไม่ก็เลือกเอาแต่มุมที่ดีของเขาในความเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะคบกันได้ยืนยาวหน่อย ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอการที่เราเจอสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบหรือสถานการณ์ที่ที่ต้องมีการแข่งแย่ง อ, อ่ะจะเห็นนิสัยของคนรักของเราได้ค่อนข้างสิ้นเชิงอ่ะค่ะลุงครับค่ะข้อ<ข>ดีข้อเสียของการครบคนที่มีสินเสมอกัารละคะสินเสมอการและสินไม่เสมอกันถ้าเราไปคบกับเพ<ม>ื่อนซึ่งคล้ายๆกันกับเรา อ่านะครับก็คงไปด้วยกันได้ไม่ขัดค อ, อกันอันนั้นคืขอข้อที่แน่แต่ถ้า ไ, ไปคบกับเพื่อนซึ่งตรงข้ามกับเราทุกอย่างก็มันก็ขัดกันบ้างแต่บางคนก็ชอบนะที่จะต้องมีคนขัดบ้าง <c oughs> เพราะไม่งั้นมันไม่สนุกอะ่ะค <c oughs> ิดว่าไหมล่ะไม่รู้ฮะที่อาจจะไม่ในแบบนั้นที่อาจจะชอบอะไรเพื่อนที่คล้ายๆกันรู้สึกคล้ายๆกันใช้ชีวิตมันเหมือนกันมุมมองคล้ายๆกันเอ๋อพอวันหนึ่งที่ไปเจออะไรที่มัน ขัดแยง้งเช่นเช่นสมมตินะอันนี้สมมติมีคนเพื่อนในกลุ่มทีเดียวกันบอกว่าพี่เก่งเนาะพี่สวยหน้า ย, ยิ้ ม, มสวยหน้ารักมืนไอ้เพื่อนคนนี้มาถึงโครมตรงไหนตรงไหนเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันมาแปลกวะหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนของเราที่สวยเราอาจจะบอกเขาดีไหมคะ <laughs> เขไม่รู้อาจจะบอกว่ามายิมสวยมากเลยมันเลยเป็นในระใหญ่ๆใช่จิตวิทยามันต้องอย่างนี้ละค่ะมันถ้ามันเป็นจิตวิทยาแบบหนักๆหรือว่าพูดกันแต่ในเรื่องของแก่นเนื้อจริงมันก็คงค่อนข้างค่อนข้างเครียดเพราะฉะนั้นที่ก็มันจะบอกว่าทีกับลุงนี่แหะเป็นมุมซึ่งอาจจะสินเสมอหรือไม่เสมอกันเราก็ไม่รู้ด้วยวัยด้วยมุมมองด้วยความคิดวัย้ต่างกันมากนะครับทีประมาณสามสิบห้า ลุงหกสิบกว่ามันไม่ใช่ที่ลุงแต่เอาทีไปบอกอายุทีออกอากาศนะคะลุงอ๋อไม่ลุงเอาแค่ว่าเราห่างกันกี่ปีเท่านั้นนรอประมาณแค่นั้นโอเคลืมืออที่ครับอาารลุงบังเดี๋ยวให้เขาตัดออกทันหรือเปล่าไม่รู้เกือเรากำลังจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยบางทีเสร็จเราไม่ได้เสมอกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราทำงานด้วยกันทีก็เรียนรู้ว่าลุงทางานประมาณนี้ ลุงเป็นคนตรงต่อเวลาลุงเป็นคนตรงต่อเวลาคุณลุงเป็นคนตั้งใจทํางานทีเป็นคนทํางานสไตล์นี้เราทีแค่ปรับให้เข้ากับลุงนะคะที่ลุงก็ปรับให้เข้ากับทีเห็นไหมคะว่ามันก็ราบเลื่นนอ่ะซึ่งเราสองคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเลยคเพราะนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้บอกท่านผู้ฟังว่าให้สินไม่เสมอกันเนี่ยมันไม่ดีนะค่ะแต่มันก็มีข้อไม่ดีเหมือนกันของสิงไม่เสมอการเช่นอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวกเกิดความ ไม่พอใจกันเกิดความรู้สึกว่าลำคาญไม่อยากไปด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการทํางานอ่ะยกตัวอย่างอย่างเราสองคนอย่างที่อาจจะให้เทคโนโลยีด้วยรุ่นด้วยอายุลุงอาจจะลุงอาจจะโลแต่เราก็ทํางานด้วยกันได้ว่าทํำยังไงเราถึงจะสื่อสารแล้วทางานด้วยกันได้ครับผมเมื่อวานที่ใชคับใช้บังบบงต้องเห็นพวกเราทํางานครับบางทีเนี่ยเราทํางานปุ๊บเนี่ยแล้วน้องทีจํา มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ม, มาแล้วใช้รุ่นนี้นั่นนั่นเป็นลุงจบลุงลยแต่ลุงตึงตาสึงใจไง ว, <c oughs> ว่าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเทำนี้ก็ <c oughs> ได้เหรอทำนี้ก <c oughs> <ๆ>็ได้เหรอแต่ลุงลุงก็จะแบบโทรศัพท์เข้ามาเป็นโทรศัพท์ยังมีหูอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมัน โบราณมากแล้วอ่ะคือไม่ว่าเราจะทํางานกับใครนะคะบางทีเราอาจจะสนิทหรือไม่สนิทกันถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานอยากจะให้หาตรงกลางให้เจอจูนกันให้ได้สื่อสารกันให้ลงตัวแล้วก็มองเงินที่ผลสำเร็จของงานนี่หว่าหรือว่าการทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยนะคะให้ทีมมันสําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องไปตามหาคนที่สิงเสมอกันเราค่ะไม่เสมอการก็ทํางานด้วยกันได้ ใช่ค่ะลุง <Yeah. S 1> คือคําถามสุดท้ายแล้วกันนะคะลุงในความ uh. สัมพันธ์ทุกรูปแบบถ้าเราตัดสินใจครบใครไปแล้วครบกับใครไปสักคนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นคนรักก็ได้ uh. แล้วเรามีปัญหา uh. ปัญหาชีวิตที่เราครบกันไปแล้วหรือแต่งงานกันไปแล้วเราควรจะทําอย่างไรคะลุงสิ่งแรกที่ลุงอยากบอกคือถ้าเราคิดว่ามันเริ่มเป็นปัญหาแล้วเริ่มที่จะไม่สบายใจแล้วเนี่ย <c oughs> ขอให้ทั้งสองค น, นหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันไม่ใช่ว่า ลา อ, กกนะะอย่าปล่อยอย่าปล่อยเวลาให้เริ่มนาน <c oughs> เอาหน่ะเดี๋ยวมันคงดีเอาหน่ะเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นไม่ถ้าเราคิดว่าใจเราเริ่มรู้สึกว่ากลุ่นมัวกับคนนี้ละ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่ามุ่งมิดกับเราบ้างละช่วยกันรุณาหาเวลาว่างแล้วก็นั่งคุยกันเลยว่าเออเมื่อวันก่อนเนี่ยนะผมรู้สึกงี้นะคุณรู้สึกไหมเออฉ <c oughs> ันก็รู้สึกเหมืลยคุยกันให้รู้เรื่องแล้วหาข้อ ย, ยุติ ถ้าคุยกันไม่ได้ก็อยากจะให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิซึ่งการละกันมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะคะลุงก็ยังอยู่ด้วยกันได้แต้ตวนแล้วจะคุยกันได้เนาะในความรู้สึกของลุงค่ะคุยกันไม่ได้ก็เลิกกันไปลุงตอนเลิกกันไปเออคือตีกว่ามาทนทรมานจริงไหมคะคือลองลองทำแบบที่ลุงบอกก่อน แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ก็แยกทางค่ะเราชีวิตเรามีเจอคนอีกเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นต้องทนทุกทรมานกับใครไปทั้งชีวิตถ้าเราคิดว่าบวกลบแล้วมันไม่ได้มีความสุขนะคะชีวิตเราเราเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนี่แหละค่ะออได้เลยอันนี้ใช่ได้แล้วแตขอให้เป็นประโยคสุดท้ายเนาะถ้า็นสิ่งสุาเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ขอให้เป็น ประยสุดท้ายหรือว่าสิ่งสุดท้ายที่จะต้องทำอาจจะต้องนึกถึงลูกนึกถึงนี่ศีลนึกถึงภาระนึกถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต่างคนต่างแยกกันด้วยดีดีกว่านะคะยังทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปยังเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังค่ะศีลเสมอ สิ้นเสมอกันวันนี้นะคะเป็นคําพูดที่ได้ยินบ่อยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยูนัทพงศ์ยูไทยครับผมพบกันได้ใหม่ค่ะในวันศุกร์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาต ร, รฐานสากล